ปัญญารู้ธรรมเจตนาเป็นธรรมมีธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินใจประชาชนได้อย่างนี้ประชาธิที่ประทยจะหนีไปไหนสำหรับการปกครองอย่างประชาธิที่ประทยนี้ถ้าจะพูดกับชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็บอกว่าระบบนี้ตั้งไว้เพื่อกันไม่ให้คนทำอะไรตามอาเภอใจเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจทำอะไรอะไรตามที่ตัวชอบใจและไม่ชอบใจระบบอย่างที่รัฐธรรมนูญจัดตั้งไวน้นี้มิใช่แค่กันคนที่มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้มีสถานะในการปกครองไม่ให้ทำตามอำเภอใจเท่านั้นแต่ระบบยังเป็นเรื่องปิดช่องและกันคนสามคนร้ายไม่ให้ขึ้นมามีบทบาทกันความคิดร้าย ไม่ให้ออกมาทําการเปิดโอกาสให้คนดีมีความสามารถขึ้นมาสร้างสรรค์ขยายประโยชน์ระบบนั้นทั้งตีกรอบกําหนดกํากับตลอดจนขีดเส้นที่จะให้กิจการทั้งหลายก้าวไปดําเนินไปอย่างไรอย่างไรระบบนั้นก็มุ่งให้ได้ประโยชน์ที่มุ่งหมายแถมให้เป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ในทางปฏิบัติจริง การตีกรอบและขีดเส้นเป็นต้นนั้นก็เสี่ยงถ้าคนร่างวางกติกาสติปัญญาขาดพร่องไปก็อาจได้ผลตรงขา้ามทาให้เสียประโยชน์ที่ควรได้หรือแม้แต่พาเฉชัชยไปผิดทางเพราะฉะ น, นั้น <S <S <ขอ>ก็จึงต้องได้บุคคลแต่ล้วนที่ดีมีปัญญามาเป็นผู้ตั้งวางและดูแลรักษาระบบ เฉพาะรัฐธรรมนูญที่ว่าเป็นกฎหมายแม่บทนั้นก็คือกฎกติกาสูงสุดที่จัดตั้งระบบกลางรวมของรัฐหรือของการปกครองประเทศทั้งหมดเป็นที่ตั้งทั้งของสมองและหัวใจของการปกครองจะต้องจับแนวที่จุดหมายของรัฐหรือของการปกครองประเทศกลั่นสารวบรวมยอดข้อบัญญัติกติกาที่จะมาเป็นหลักประกันให้การปกครองประเทศทั้งหมด บรร ล, ลุจุดหมายของการมีรัตนั้นที่จะให้ประชาชนอยู่กันดีมีสุขเป็นธรรมแก่กันอย่างที่พูดตามคำประเพณีว่าเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามตามเหตุผลที่กล่าวมาข้อบัญญัติน้อยใหญ่ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจึงส่งไปถึงจุดหมายของรัฐซึ่งผู้ตระหนักรู้เข้าใจชัด จะสามารถมองเห็นทะลุทั่วตลอดระบก ค, ความสัมพันธ์ที่องค์ประกอบและเหตุปัจจัยโยงใยถึงกันว่าความตามข้อบัญญัตินั้นจะส่งผลโดยตรงโดยอ้อมไปถึงชาวบ้านในไรนาคนในป่าเขาไล่ไปตามขอบประเทศเข้ามาถึงกรรมกรและคนเมืองคนกรุงในการที่เขาจะดาเนินชีวิตทำการงานอาชีพอยู่ร่วมกันติดต่อกิจการงานกัน ทำให้มีความสะดวกหรือขัดข้องได้รับความเป็นธรรมในระดับต่างๆอย่างไรจนถึงกิจการสถาบันองค์กรทั้งหลายดำเนินกิจการในประเทศก็ตามสัมพันธ์กับนอกประเทศก็ตามจะมีผลทางหนุนหรือทางนวงอย่างไรเหมือนแพทย์มองตับที่ชารุดเห็นไปถึงตาที่เหลืองมองที่ไตโ ย, ยงไปได้ถึงเหงื่อคลาตามขุมขน ตลอดจนของนอกกายที่นำเข้ามาในตัวมองย้อนขึ้นย้อนลงเห็นสว่างทั่วถึงกันอย่างนี้ถ้ามาวางตั้งข้อบัญญัติก็จะทำการอย่างเป็นผู้เข้าถึงเมื่อรู้เข้าใจสภาพที่เป็นจริงในสังคมอยู่แล้วถ้ามีปัญญาสว่างมองเห็นทั่วตลอดระบบความสัมพันธ์อย่างนี้พอมีเจตนาดีใสสะอาด มุ่งทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงเข้ามาร่วมก็จะจัดตั้งบัญญัติที่วางระบบของรัฐให้สนองจุดหมายได้สมจริงมิใช่เป็นแค่ตัวหนังสือและรูปแบบอย่างหุ่นแห้งไร้ชีวิตอย่างไรก็ดีมีสภาพอย่างหนึ่งที่ซุ่มแทรกเรื้อรังเรื่อยมาเป็นปัญหาระหว่างระบบกับคนเราบอกว่าระบบกันคน ไม่ให้ทำตามที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจกันคนร้ายไม่ให้เข้าไม่ให้ขึ้นมามีบทบาทและเปิดโอกาสให้คนดีขึ้นมาทำประโยชน์แต่มองอีกด้านหนึ่งก็คนนั้นแหละที่ออกแบบจัดตั้งวางระบบเช่นเขียนรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายต่อเมื่อคนเหล่านั้นมีปัญญาสว่างชัดและมีเจตนาสะอาดตรงต่อจุดหมายจึงจะมีหวังว่า จะได้ระบบที่สมมุ่งหมายทีนี้ก็ยากจะได้คนที่สมบูรณ์ทั้งด้วยปัญญาและเจตนามาจัดตั้งระบบแล้วระบบที่จัดตั้งกันมาแม้แต่ที่เป็นอย่างดีก็มีช่องโหว่กันคนร้ายไม่ได้มิชิดบางทีก็กลับปิดโอกาสบางด้านสำหรับการที่ดียิ่งกว่านั้นแม้จะบริสุทธิ์ใจมีเจตนาดีแต่ปัญญาไม่แจ้งชัดไม่ทั่วไม่ถึง เวลาตีกรอบหรือขีดเส้นไม่ละเอียดรอบค้อพอกลายเป็นกำจัดขัดขวางการสร้างสรรหรือส่งให้ไปในทางที่เสื่อมทุดลงและที่ร้ายอย่างยิ่งบางคนร้ายที่เก่งการฉลาดเฉฉัยปรับเอาระบบมาใช้เป็นเครื่องมือทำการร้ายสนองความต้องการของตนได้ผลที่ใหญ่โตรวมแล้วระบบนั้นจําเป็นต้องพยายามกันไป ที่จะจัดตั้งปรับปรุงให้ดีที่สุดแต่อย่าถึงกับไปฝากความหวังไว้ที่ระบบจนลืมเรื่องคนเรามักเอาระบบมาจำกัดมาจัดมาจัดการคนแต่ควรเอาใจใส่ให้มากด้วยที่จะจัดระบบให้เป็นที่พัฒนาและเอื้อต่อการพัฒนาของคนส่วนนอกเหนือระบบคนจะต้องศึกษาพัฒนาการทุกเวลาเสมอไป ต้องให้คนมีคุณภาพให้ได้มีฉะนั้นประชาธิปไตยจะไม่อาจยั่งยืนอย่างน้อยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวถ้าเ้าว่าประชาธิปไตยนั้นตามปกติคือเลวน้อยที่สุดอันนี้ก็จะกลายเป็นเลวมากสำหรับระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนหรือมีผู้แทนนั้นเรื่องคนมีสองชั้น ชั้นแรกที่เป็นตัวจริงยืนพื้นได้แก่ประชาชนนั่นเองชั้นสองคือคนที่ประชาชนเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนชั้นสองคือตัวแทนหรือผู้แทนก็มาจากประชาชนนั่นแหละเลือกขึ้นไปจึงขึ้นต่อคุณภาพของผู้ที่เลือกคือประชาชนว่ามีปัญญาถึงและทันแค่ไหนแล้วก็มีเจตนาใสาสะอาดดีงาม มงจะเลือกคนดีมีปัญญาไปทํางานเพื่อความดีงามและเพื่อคุณประโยชน์แก่ชีวิตและกิจการส่วนรวมเพื่อสังคมประเทศชาติหรือไม่ผู้แทนนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์หรือฟ้องถึงคุณภาพของประชาชนส่วนนั้นๆ น, น, นั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าประชาชนด้อยคุณภาพแต่ผู้แทนที่ได้รับเลือกขึ้นไปหรือเข้าไป เป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกดีก็อาจจะหาทางช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพดีขึ้นดีขึ้นและตนเองก็พยายามพัฒนาตนให้มีคุณภาพสูงทั้งมีปัญญาที่รู้ธรรมและมีเจตนาที่เป็นธรรมย้ำว่าธรรมนั้นปกติแปลว่าความจริงความถูกต้องความดีงามอันนี้เป็นพื้นฐาน ยังพูดกว้างๆแต่เมื่อพูดเป็นงานเป็นการก็แยกๆกันหน่อยธรรมหรือธรรมะคือหลักแห่งความจริงความถูกต้องดีงามนั้นลึกลงไปก็คือธรรมดาที่เป็นความจริงของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติซึ่งเป็นฐานให้มนุษย์มาตั้งวางกฎของมนุษย์ขึ้นบ้างไปๆมาๆธรรมก็มีความหมายเป็นหลัก เป็นกฎเกณฑ์มีทั้งกฎธรรมชาติเป็น n นช u r a ล l a ลและก็มีกฎมนุษย์หรือกฎหมายเป็นฮิ m แ n l เ w ลถ้าผู้แทนมีปัญญารู้ธรรมคือรู้ความจริงความถูกต้องความดีความงามหลักการวิชากติกากฎหมายและมีเจตนาเป็นธรรมคือมุ่งให้เป็นไปตามธรรมนั้นและตั้งใจให้เกิดประโยชน์สุขตามธรรมนั้น และก็ยึดถือธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนี่ก็คือผู้แทนนั้นเป็นธรรมมาธิปไตยพอผู้แทนที่เป็นธรรมมาธิปไตยไปทำงานทำการแม้กระทั่งไปเลือกผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองหรือแม้แต่ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเราก็จะได้คณะรัฐบาลที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีปัญญารู้ธรรมมีเจตนาเป็นธรรม เป็นธรรมมาที่ประไตยโดยเอาธรรมเอาหลักการเอากติกาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจหรือกฎหมายเป็นบรรทัดฐานก็เป็นอันว่ามีการปกครองโดยธรรมและนั่นคือรูออฟลอวมาถึงแล้วแต่อย่างที่พูดไปแล้วในระยะยาวหนีไม่พ้นจุดตั้งต้นและตัวยืนคือประชาชน ซึ่งเป็นฐานยืนพื้นถ้าจะให้มั่นใจจริงก็ต้องให้ประชาชนนี่แหละมีคุณภาพและควรเป็นคุณภาพที่สูงด้วยเพราะเป็นผู้ใช้อำนาจตัดสินใจขั้นฐานรากและเด็ดขาดในการเลือกคนที่จะเป็นผู้แทนของตนในที่สุดและเบื้องต้นที่สุดจึงต้องให้ประชาชนพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณภาพให้เป็นคนที่มีปัญญารู้ธรรมมีเจตนาเป็นธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ตัดสินใจไปตามธรรมจะว่าตัดสินใจตามคำสั่งของธรรมก็ได้เป็นธรรมมาทิปไตยอย่างที่ว่าแล้วการสนองความต้องการเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์และได้พูดแล้วว่าประชาชนย่อมรู้ความต้องการของตนเมื่อประชาชนเป็นใหญ่ก็ช่วยให้เอาใจใส่ที่จะแก้ปัญหาและแก้ได้ตรงจุด ตรงความต้องการที่แท้จริงแต่เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของคนถ้าคนขาดแคลนปัญญาในหลายกรณีก็อาจจะไม่รู้เข้าใจความต้องการของตนตั้งแต่ไม่รู้ว่าตนต้องการอะไรแน่ความต้องการนั้นถูกต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ซึ่งรวมอยู่ในคำว่าเป็นธรรมหรือไม่ บางทีก็เป็นความต้องการที่เหมือนกับเด็กที่จะกินแต่ขนมหวานซึ่งเป็นโทษทำร้ายฟันของตัวเองทีนี้ถ้าความต้องการนั้นไม่เป็นธรรมแล้วตั้งเจตนาจะเอาตามนั้นเจตนาก็ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เอาธรรมเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสินใจปัญหาก็ตามมาก็ต้องพัฒนาคนให้มีปัญญารู้ธรรมรู้ถูกรู้จริงให้มีเจตนาเป็นธรรม และแตัดสินใจโดยถือทมเป็นเกณฑ์ดังที่ว่าแล้วพอประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยแล้วเขาก็จะเลือกผู้แทนที่เป็นธรรมาธิปไตยแล้วก็จะมีคณะรัฐบาลที่เป็นธรรมาธิปไตยและกิจการบ้านเมืองก็เป็นไปตามแนวทางของคนที่เป็นธรรมาธิปไตยว่ากันเป็นสายไปตลอดทั้งหมดเมื่อคนเป็นธรรมาธิปไตยกันทั่วไป หรือโดยมากแล้วระบบการปกครองของประเทศก็เป็นประชาธิปไตยได้แน่นอนและเป็นประชาธิปไตยชนิดอย่างดีด้วยเป็นอันว่าในระบบอันนี้ถ้าประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าประเทศชาติจะเป็นประชาธิปไตยพูดอีกสำนวนว่าถ้าคนเป็นธรรมาธิปไตยระบบก็เป็นประชาธิปไตยได้ หรือว่าระบบประชาธิปไตยจะอยู่ได้ต้องให้คนเป็นธรรมาธิปไตยมีประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยคือหลักประการที่มั่นใจที่สุดของระบบประชาธิปไตยถ้าพัฒนาคนให้เป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้ระบบประชาธิปไตยก็จําเป็นต้องล้มละลายหนีไม่พ้น อย่างที่ว่าข้างต้นไม่ว่าในการปกครองระบบใดก็ตามจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นอภิชนาธิปไตยเป็นคณาธิปไตยหรืออะไรก็ตามถ้าผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดหรือผู้ปกครองเป็นธรรมาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ดีที่สุดของระบบการปกครองนั้นในระบบราาประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน การปกครองระบบประชาธิปไตยที่ไหนถ้าประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยนั่นก็เป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในบรรดาประชาธิปไตยทั้งหลายที่นี้เราบอกว่าในบรรดาระบบการปกครองทั้งหลายทั้งหมดประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ดีที่สุดหรือเลวน้อยที่สุดถึงตรงนี้จึงควรพูดต่อไปให้ครบว่า และในบรรดาการปกครองแบบประชาธิปไตยทั้งหลายทั้งหมดประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามในทางย้อนกลับก็อาจจะต้องพูดด้วยว่าในบรรดาระบบการปกครองทั้งหลายทั้งหมดประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตยอาจจะกลายเป็นการปกครอง ที่เละที่สุดบอกแค่ว่าเละไม่ได้บอกว่าเลวเป็นอันว่าถ้าเราจะยังมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ต้องให้ประชาชนพัฒนาตนเป็นธรรมมาธิปไตย